นี่คือรายการธรรมะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในทุกวันที่เรามาพบกันนั้นก็แน่นอนท่านผู้ฟังเราเป็นรายการธรรมะก็ต้องนําธรรมะดีๆดีนี่มันดูยังไงถึงไปลว่ามันจะดีธรรมะอะไรที่เรียกว่าดีและธรรมะอะไรที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยดีดีก็มีนะไม่ดีก็มีหนึ่งในวิธีการที่เราจะดูได้ว่าธรรมะนั้นดีหรือเปล่าเนี่ย ก็ดูที่ผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นก็ได้แต่ว่าผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราจะดูยังไงว่าผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นเขาเขาดีหรือเขาไม่ดีกันหนก็ดูที่ว่าคุณสมบัติแต่ว่าเขามีศีลเป็นอย่างไรมีจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นในขนาดไหนมีปยยัญญามีความฉลาดหลักแหลมมากน้อยคมกล้าเพียงใด มีวิมุตต์มีความหลุดพ้นสูงส่งขนาดไหนศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์ดูกันที่ตรงนี้ถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์มากสูงสิ่งที่กล่าวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีดีตรงนี้ก็คือเป็นธรรมะดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เคลมตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์สูงที่สุด มีความฉลาดหลักแหลมในข้อปฏิบัติต่างๆนั่นก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งเรียงว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเป็นพระองค์หนึ่ง่ที่บวชอยู่ที่ประเทศอินเดียมีนามสกุลว่าโคตมะชื่อสินทัตะมาดำรงตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธะ สิ่งที่ท่านกล่าวไว้บอกเอาไว้ก็จึงเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมะดีๆที่มีการบอกกล่าวสืบทอดต่อๆกันมาแปลเป็นหลายๆภาษาจนกระทั่งมาถึงในสมัยเราเป็นภาษาไทยในธรรมบุฟังได้ฟังได้พิจารณาให้รู้ให้เห็นถึงธรรมะดีๆเพื่อตีจะนําเข้าสู่จิตใจ ใ, จให้ใจิตใจของเราเป็นใจิตใจที่ดีขึ้นมาได้ ชีวิตคนเราถ้าฟังมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่อย่างมากก็ร้อยปีเกินกว่านั้นก็มีนิดๆหน่อยๆที่น้อยกว่านั้นก็ยังมีบางคนเพิ่งเห็นกันหลัดๆหนะ่ะไม่กี่ปีก็ตายไปเสแล้วก็มีเพราะนั้นมันไม่ได้ยาวนะสุดต่อให้เรามีอีก40ปี40ปีก็แป๊บเดียวไม่ได้ด่านมากก็จึงจาเป็นที่จะต้องมาทาช่วงเวลาที่เรามีเหลืออยู่ไม่มากเนี่ย ให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อว่าสิ่งดีๆนั้นจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงให้เราใช้ในการที่จะเป็นที่เกาะที่จำที่ตั้งที่ที่จะพึ่งได้ในการต่อๆไปในข้างหน้าซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ทำหน้าที่ในการที่จะมาคอยเตือนนะเตือนเราท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคือบางทีท่านผู้ฟังก็เตือนตนด้วยตนอยู่แล้วละ่นะแต่ในวันหนึ่งเนี่ยก็มีข้าพเจ้ามาช่วยเตือน เนโดยนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นธรรมย้ําเตือนให้ได้มาฟังฟังด้วยในระหว่างวันตัวเรเองก็ต้องเตือนตัวเรเองด้วยในถึงจะถูกแต่ก็จึงมามีหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในหมวดของอังคุตรนิการจตุกะนิบาศแต่คือหมวดที่4ข้อ4ข้อที่พูดถึงเรื่องของความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียด ความเกลียดที่เกิดจากความรักและก็ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด4อย่างนี้ทําให้เกิด5อย่างอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็ต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าบางทีเรามีความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดหรือความรักที่เกิดจากความรักและความรักที่เกิดจากความเกลียดพูดง่ายก็คือรักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดมีสี่อย่างและไอ้ที่รักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดเนี่ย มันเป็นยังไงก็สมมติว่าตัวเรานี่มีหรือท่านผู้ฟังก็แต่แต่หรือไกลก็แต่นะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งหมามีหมายอยู่ตัวหนึ่งมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งแม่รักมันมากหมาตัวนี้เป็นหมาฉลาดขนปุกปุย เ, เชื่อฟังรู้บุญคุณเจ้าของเป็นหมาซื่อสัตว์ไหเรียกก็มาเป็นหมาที่รู้ฟังคํามันนุ่มนวลไม่ต้องพูดกับมันแร ง, แรง พูกับมันดีๆก็เข้าใจนะ่ะรู้จัก อ, อ่อนน้อมถ่อมตนสั่งไปไหนมันก็ทําได้แม่เรารักหมาตัวนี้มากสมมตินะ่ะท่านผู้ฟังมีหมาหรือว่าใครสักคนหนึ่งมีหมาก็ตามนั้นะถ้าเรารักหมาเราอย่างนี้เกิดขึ้นนะปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขาก็ไม่เห็นหมาของเราเนี่แหละที่เรารักมากเออมันก็เล่นกับมันดีๆเอาอาหารมาให้มันกินนะซื้ออะไรต่างๆมาฝากหมาเราที่เรารัก คนอื่นคนนั้นเนี่ยที่เขามาทำกับหมาเราอย่างที่เราชอบใจเราก็จะมีความรักในคนคนนั้นความรักที่เกิดขึ้นในจิตของเราต่อคนคนนั้นเนี่ยนี่คือความรักที่อาศัยความรักนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือเรารักหมาเรานะเราจึงเกิดความรักที่คนนั้นเขามาทำดีกับหมาของเราไอ้ความรักที่เกิดขึ้นที่สองเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยของความรักหมาความรักที่สองที่เกิดขึ้นในใจของเรา ที่เกิดต่อคนนั้นอาศัยความรักหมาตอนแรกเรารักหมาก่อนจนเกิดความรักในคนนั้นแต่แต่ความรักหมาก็ตามความรักในคนนั้นก็ตามเกิดที่ไหนเกิดที่ในใจของเรานะเกิดขึ้นที่ในใจของเราในเรื่องรักรักรักเกลียดพวกนี้เกิดขึ้นในใจของเราทั้งนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มที่2ในกลุ่มคนกลุ่มที่1นี่เขามาทําดีกับมาเราละเรารักเขามีความรักเกิดขึ้นในใจของเรา มีความรักต่อเขาในะที่เกิดขึ้นในใจของเราอาศัยความรักที่เกิดจากหมานี่คือข้อที่1นทีนี้ถ้ามีกลุ่มคนกลุ่มที่2ไม่รู้มาจากไหนนะมาดึงหางหมานะมาตีหมามาเล่นแรงๆกับหมาของเราที่เรารักเนี่ยแม่เราจะรู้สึกเคืองรู้สึกเกลียดไอ้ไอ้พวกกลุ่มที่2นี่มากในความเคืองความเกลียดที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเรานะต่อไอ้คนกลุ่มที่2เนี่ย อาศัยความรักที่เรารักหมาจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเกลียดอย่างที่2เนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่2ไอ้ความเกลียดนี้อยู่ในใจเรานะความเกลียดนี้อาศัยความรักนั่นเองก็คือความเกลียดที่เกิดจากความรักหมาความเกลียดในบุคคลที่2ที่เกิดขึ้นจากความรักที่เรามีต่อหมานี่คือลักษณะที่2องทีนี้ประกอบว่าไอ้หมาที่เรารักเนี่ยนะมานก็ชอบถูกรังแกโดยหมาข้างบ้าน นะมาข้างบ้านไม่รู้เป็นยังไงมันหมาเราผ่านไปมันเห่าอยู่เรื่อยมันรังแกอ ย, อยู่เรื่อยถูกปล่อยมามันก็กัดกันหมาเราเลือดโจากลับมาเราไม่ชอบห ม, มาข้างบ้านนี่แหละปรากฏว่ามีคนเขานะไปเอาตีหมาข้างบ้านนะแล้วก็เอาดึงหางมันแกล้งมันทําให้มันเจ็บนะเราก็จรู้สึกพอใจกับการที่คนกลุ่มที่สาเนี่ยไปทําไม่ดีกับไอ้หมาที่เราไม่ชอบ นั่คือเรามีความเกลียดในหมาข้างบ้านใช่ไหยในหม า, าของคนข้างๆ้าบ้า น, นในสุนัขตัวนั้นพอมีคนทำไม่ดีกับมันเราจะมีความรักความพอใจที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มที่3ไอ้ความรักความพอใจที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่เกิดต่อคนกลุ่มที่สเนี่ยอาศัยความที่เาเกลียดหมาข้างบ้านแตตรงนี้ก็คือความรักที่เกิดจากความเกลียดนั่นเองความรักที่เกิดจากความเกลียดรักอะไร รักพอใจกลุ่มคนที่3อาศัยอะไรอาศัยความเกลียดหมาข้างบ้านหนะมากบ้านเราไม่ชอบเพราะมันหมารังแกหมาเราในะความที่เราไม่ชอบหมาข้างบ้านนี่ก็เป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักเหมือนกันนะอย่างที่2ก็คือความเกลียดต่อหมาข้างบ้านความเกลียดนี่อยู่ในใจเรานะเกิดต่อหมาข้างบ้านเพราะว่าหมาข้างบ้านมันมาทําไม่ดีกับหมาของเราเรารักหมาของเรา ทีนี้พอมีคนทําไม่ดีกับหมาข้างบ้านที่เราไม่ชอบนั่นที่เราเกลียดมันนะเรากับพอใจในคนกลุ่มที่3นี่แต่ความพอใจความรักที่เกิดขึ้นอย่างที่3เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจของเราต่อบุคคลกลุ่มที่3เนี่ยอาศัยความเกลียดนะเกลียดในหมาข้างบ้านแต่ความเกลียดนี้อยู่ในใจเรานะแต่ความเกลียดนี้มีต่ออะไรมีต่อหมาข้างบ้านนั่นเองแต่ทีนี้แล้วปรากฏว่าในมีคนกลุ่มที่ส คนกลุ่มที่สีนี้เขาก็ปรากฏว่ามาเลี้ยงดูปูเสือสุนัขข้างบ้านนี้อย่างดีไอตัวที่เราไม่ชอบนี่แหละมาฉีดวัคซีนมาให้อาหารมันมันดูมันมาเล่นกับมันให้มันสนุกสนานเราจะรู้สึกไม่พอใจไอคนกลุ่มที่สี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมาทำหมาที่เราไม่ชอบเนี่ยให้มันมีความสุขความสนานขึ้นมาน่าก็เรียกว่าเป็นความเกลียดต่อบคุคคลกลุ่มที่4แต่ความเกลียดนี้เกิดขึ้นในใจของเรา อาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยความที่เราเกลียดหม า, าข้างๆบ้านนั่นเองหมาของคนข้างบ้านความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักและความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดสี่อย่างนี้แหละนะทําให้เราหมุนเวียนวนไปนะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นทั้ง4อย่างเนี่ยตะมุวังไม่ว่าจะเป็นรักหรือเกลียด ที่เกิดขึ้นจากเกลียดหรือรักเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นมันเกิดขึ้นในใจของเราอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยคนข้างนอกนี่แหละเป็นเหตุอาศัยเรื่องที่เรารักอาศัยเรื่องที่เราเกลียดเรื่องที่เราชอบใจเรื่องที่เราไม่ชอบใจอาศัยสิ่งนี้แล้วทําให้เราเกิดความพอใจความไม่พอใจไอ้ซึ่งความพอใจไม่พอใจมันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละแต่มีต่ออะไรก็มีต่อบุคคลที่3ที่เกิดขึ้น สังเกตใจเราให้ดีๆนะคนนี้เราชอบคนนี้เราชอบพอมีคนพูดถึงคนนี้ในลักษณะที่ดีเฮ้เราก็ชอบคนนั้นด้วยแหมคนนี้พูดดีเราชอบแต่ถ้ามีคนพูดไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เราชอบเราจะไม่ชอบไอ้หมอนึ่งเพราะมันดันพูดไม่ดีใส่คนที่เรารักก็จะมีความเกลียดเกิดขึ้นคนที่ยังมีความรักรักเกลียดเกลียดเกลียดรักรักเกลียดเนี่ยสอย่างเนี่ยจะมีลักษณะของคนที่เรียกว่า มีอยู่5้าอย่างก็คือย่อมเป็นผู้ที่โต้ตอบโต้ตอบเป็นไงเป็นคนโต้ตอบถ้าถูกด่าก็ด่าตอบถ้าถูกโกรธถูกขึงเครียดก็จะขึงเครียดตอบโกรธตอบแตถ้าถูกหักล้านตอบโต้ก็จะหักล้านตอบโต้ตอบเป็นอย่างนี้เป็นผู้มีการตอบโต้โต้ตอบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน อีกอย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความรักรักรั ก, รกเกลียดเกลียดรักรักเกลียดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความถือตัวถือตัวเป็นยังไงนะถือตัวว่าฉันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณอย่างนี้นั่นคือพูดถึงลักษณะของขันห้ามีความยึดถือขันห้าด้วยความเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์ญญหนึ่งอุดมการณใดอุดมการณหนึ่งอุดมการณนั้นหวยไม่หวยเรายังไม่ต้องพูดถึง อุดมการหวยหวยก็มีแต่คุ้นนั่นไปยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนสิ่งนี้เป็นของรักของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยึดถือเป็นผู้ที่เรียกว่าถื อ, ต, ถอ ต, ตัวถือตนขึ้นมาอย่างที่สมคนที่มีความรักรักรักเกลียดรักเกลียรักเกลียด์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีการอัดควันอัดควันเป็นยังไงอัดควันแต่คนที่เคยสูบุรีแต่คือข้าพเจ้าไม่เคยสูบรีนะแต่ว่าเคยเห็นคนที่เขาสูบุรีเนี่ย เขาจะอัดควันอัดควันเข้าไปในปากเข้าไปในปอดแล้วก็พ่นออกมาปุ้ยปุ๋ยเหียวมานี่ยไอตอนช่วเนีย้ว่าอัดควันอัดควันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เลยก็คือคนที่นึกถึงด้วยกิเลสว่าฉันเป็นอย่างงี้ฉันมีอยู่อย่างนี้เรามีเราเป็นทั้งทั้งที่ควันเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นของเป็นแก๊สเป็นสิ่งที่มือไปโดนมันก็หลไปไหลไปแต่ถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นความว่าสิ่งนี้ตัวเราเที่ยงแท้แน่นอน เป็นของมีของเป็นอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเป็นลักษณะที่มีการจับยึดยึดถือโดยความเป็นตัวตนนี่คือลักษณะของเป็นผู้ที่อัดวันอย่างที่สี่ที่จะเกิดได้ของคนที่ทั้งรักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดนี่แหละจะเป็นผู้ที่มีความลุกโผลงลุกโผลเป็นยังไงลุกโผล่ท่านผูฟังเคยเห็นเปลวไฟ แต่ตอนนี้อากาศเย็นในบางที่บ า, บางแห่งเนี่ยเขาก็สุ่มไฟขึ้นเพื่อผิงไฟให้มันอุ่นเรามองดูเข้าไปในเปลวไฟดูดีๆในเปลวไฟมันไม่มีมวลไม่มีอะไรแต่เป็นเปลวขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องบปนราวรู้สึกถึงร้อนแต่เครื่องในมันจับต้องอะไรไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าลุกโพล่ขึ้นมาเหมือนมีเป็นตัวเป็นตนเช่นเดียวกันลักษณะของผู้ที่ลุกโผล่เนี่ยก็คือลุกโพล่มีความยึดถืออยู่ด้วยว่าฉันมีอยู่ฉันเป็นอยู่ ฉันมีความเที่ยงแท้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างอื่นเคยเนี้ถ้าจะจะพูดถึงก็คล้ายๆกับผู้ที่มีการอัดควันนั่นแหละแต่การอัดควันเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของความาพึงมีพึงเป็นแต่เรื่องของ เ, อเรื่องของความลุกโผร่เนี่ยจะเป็นเรื่องของขันต่างห้านั่นเน้นไปในทางขันต่างห้าตรงนี้ส่วนข้อที่5ที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่ถ้าเรามีความรักรั ก, รก เกลียดเกลียดรัเกลียดเก ล, ลียดแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีอัสมีมานะีคือความยึดถือในความเป็นตัวตนก็เดียวเป็นผู้ที่ยังไม่เกลียดอยู่ถูกไฟทําให้ไม่เกลียดนะถูกเผานั่นแหละมีเปลวไฟขึ้นกับถูกเผานะคือเป็นลักษณะเดียว ก, กันกับความที่ยึดถือเป็นตัวตนในที่นี้ก็หมายถึงว่ายัางละความยึดถื อ, อยังละอัสมัตต่างๆไม่ได้จะมะีห้าลักษณะนี้ แต่สามีครังหนึ่าวังแตถ้าเรามีความรักที่เกิดจากความรักเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีคนมาทําดีกับสิ่งนั้นเราจึงมีความรักอย่างที่2เกิดขึ้นไอ้ความรักลําดับที่สองที่อาศัยความรักแรกเกิดขึ้นนั้นคือรักที่เกิดจากความรักแล้วถ้ามีคนมาทําไม่ดีกับสิ่งที่เรารักตั้งแต่ที่แรกเราจะมีความเกลียดลําดับที่2เกิดขึ้นอาศัยความรักตั้งแต่ตอนแรกที่เราเกิดนี่คือความเกลียดที่เกิดจากความรัก ในขณะที่ถ้าเราเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่แรกเดิมอยู่แล้วแต่มีคนมาทําไม่ดีกับไอ้เจ้าสิ่งที่เราเกลียดเราจะมีความรักลําดับที่2เกิดขึ้นความรักลําดับที่2เกิดขึ้นนั่นก็คือความรักที่อาศัยความเกลียดแล้วถ้าบูกว่าเรามีความเกลียดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีคนมาทำดีกับไอ้เจ้าสิเราไม่พอใจที่เราเกลียดเราก็จะมีความเกลียดอันดับที่2เกิดขึ้นอาศัยความเกลียดตอนแรกที่เรามีอยู่แล้วก็คือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด สี่อย่างนี้คุณมีไหมคุณตรวจสอบตัวเราเองดูหรือตรวจสอบคนข้างๆเราดูหรือตรวจสอบคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมดูจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวทีวีเขามีรักรักรักเกลียดเรักเกลียดเกลียดพวกนี้หรือเปล่าถ้ากเขามีเขาจะต้องเป็นผู้ที่ถือตัวแน่นอนเป็นผู้ที่ยังมีการตอบโต้มีการอัดควันมีการลุกโพล่แล้วก็มีความไม่เกลี่ยมเกิดขึ้นในใจของเขามีแน่นอน ไอความยึดถือที่ยึดถือเป็นแตกต่างด่ากันว่ากันทุบตีกันด้วยก้อนดินก้อนหินออกคือปากพิ่มแทงกันอยู่ด้วยออกคือปากบางก็อาศัยเหตุต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะไม่หนีไปจากนี้เลยเพราะนั้นบางทีคนเราเนี่ยคนที่เราไม่เคยชอบมาก่อนวันนี้เราก็เฉยเฉยไม่ได้รักเขาไม่ได้อะไรเัาหรอกแม้แต่พอเขามาทําดีกับไอ้ที่เราชอบ ทำดีในสิ่งที่เราชอบมีความเห็นเหมือนกันมีความตรงกันเออกลายเป็นรักคนดีขึ้นม า, ท, าท้งแ้นที่ตอนแรกนี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายวิธีแก้ทำยังไงท่าผู้ฟังวิธีแก้วิธีแก้ที่จะทำให้เราไม่เกิดความรักที่เกิดจากความรักไม่เกิดความรักที่เกิดจากความเกลียดไม่เกิดความเกลียดที่เกิดจากความรักแล้วก็ไม่เกลียดความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดคือถ้าใจของเราเนี่ยยังมีรักและเกลียด ที่กิดจากความเกลียดและความรักทั้งหมด4อย่างนี้อยู่ยเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยเราจะเป็นเหมือนกับเราจะเป็นเหมือนกับลิงที่วิ่งไปตามป่านี่เลยไม่ใช่วิ่งหรอกโหนตัวไปในตามป่านะเกาะกิ่งนั้นเกาะกิ่งนี้เรื่อยไปกิ่งนั้นหากิ่งนั้นขึ้นมันพาจิตใจเราขึ้นขึ้ น, น, นลงลงนะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอีหลงตุงนางไปตามสิ่งที่เรากระทบหมดทั้งสิ้นเลยนะถูกม่านกุมหัวใจอยู่ได้ทูกสิ่งภายนอกบีบบังคับ แล่วคือแหมตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ทำไมฟังเรื่องนี้แล้วมันเหมือนกับเราถูกบีบูหัวใจทำไมคนนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ทำไมคนนั้นเขาไม่พูดอย่างนั้นทำไมคนนี้ไม่พูดอย่างที่เราคิดหรือไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้คิดแล้วเราก็จะทุกข์มากเลยจะมีความทุกข์มากทีเดียวแตทุกข์ขนาดว่าใจทุกข์แล้วยังขยับปากอีกนะปากยิ่งทำแล้วทุกข์หนักกึ้นอีกนะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อ้าวทุกข์หนักกึ้นอีกทุกข์หนัก ขยับปากไม่พอขยับไม้ขยับมือมีการลงไม้ลงมื อ, อเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นลงขึ้นใะมันยิ่งหนักขึ้นอีกนั่นเพราะว่าจิตใจเราเราถูกกลมอยู่ถูกควบคุมอยู่ด้วยกระแสะแห่งมารพวกนี้กระแสะแห่งความรักและความเกลียดควบคุมใจของเราอยู่เราจะทํายังไงไม่ให้ใจของเราเนี่ยสั่นสะท้านสะเทือนวันไหวไปตามความรักความเกลียดกระแสต่างๆเหล่านี้ เราต้องทำให้ได้แต่วิธีการแก้มีอยู่ทำฟังไม่ยากคือการทรําจิตของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นเอาไว้ให้ตั้งมั่นเอาไว้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงแตงที่ข้าพเจ้าบอกอยู่เป็นประจำว่าไอ้สิ่งต่างๆภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะพุ่งกข้มาหาใจของเราหาจิตของเราแต่จิตของเราถ้าไม่มีที่ตั้งที่พึ่งที่ระลึกถึงที่เกาะเอาไว้มันจะหวั่นไหวมันจะสั่นสะท้านสะเทือน เราจึงต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงที่เกาอไว้เพื่อไม่ให้ใจของเรามันวันไหวสั่สะท้านไปเตือนไปตามสิ่งที่มากระทบไปตามความรักความเกลียดของโลกของสงสารที่มันหมุนขึ้นหมุนลงอยู่อย่างนี้สิ่งนั้นคืออะไรฉันผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังแค่มารอบแรกเนี่ยที่ฟังมาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยตอบหน่อยเถอะตอบหน่อยขอให้คิดนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาเป็นหลัก ให้ใจเราตั้งมั่นอยู่ได้สิ่งที่มันจะมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเกาะให้เราจับให้เราช่วยให้เราตั้งมั่นเอาไว้นั่นคืออะไรตอบคือสตินั่นเองคือสติสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงถ้าใจเรามีสติแล้วทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่แหละนี่แหละจะเป็นผู้ที่เร็ว่าพ้นจากทั้งความรัก ที่เกิดจากความรักพ้นจากความเกลียดที่เกิดจากความรักพ้นจากความรักที่เกิดจากความเกลียดและพ้นจากความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดได้ด้วยอาศัยสัมมาสมาธิอันมีสัมมาสติเป็นเหตุสติอยู่ที่ไหนท่านฟังสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ในใจใจเป็นที่เล่นไปสู่สติสติอยู่ที่ไหนท่านังสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ในลมหายใจนะ คุณหนยใจอยู่หรือเปล่าหู้คุณฟังเนี่ยปอดคุณปั๊มอากาศเข้าปั ust, ป๊มอากาศออกหรือเปล่ากระบังลมยังทํางานอยู่หรือเปล่าถ้ากระบังลมไม่ทํางานเครื่องช่วยหายใจมันยังทํางานอยู่ไหมเสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่าถ้าเครื่องช่วยหายใจยังทํางานอยู่กระบังลมยังปั๊มขึ้นปั๊มลงได้อยู่อากาศมันผ่านเข้าผ่านออกในปอดมันต้องกระทบอยู่ในโพรงจมูกสิถ้ามันกระทบอยู่ในโพรงจมูกแล้วทำไมเราจะไม่มีสติทําไมจิตเราจะตั้งมั่นอยู่ตรงไหนไม่ได้ ถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นได้สมาธิเราเกิดสมาธิเราเกิดแล้วจิตเราจะไม่หวนไปไหวไปตามความรักที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความรักหรือความรักที่เกิดจากความเกลียดหรือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดเลยเป็นจิตที่เรีว่าหลุดพ้นจากสิ่งเหลา่านี้พอเราพ้นจากรักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่ถือตัวตไม่ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเรา จะเป็นผู้ที Instead, ่เรีว่าไม่ตอบโต้เขาด่าเราเราไม่ด่าตอบเขากรัวเราเราไม่โกรธตอบเขาขึงเครียดให้เราเราไม่ขึงเครียดตอบเขาหักหลังเราเราไม่หักรานตอบชนะนะเนี่ยชนะชนะด้วยการไม่โกรธตอบคนโกรธมาเราไม่โกรธตอบเราชนะแล้วเขาอัดควันเราไม่อัดควันเราไม่ได้มายึดถือว่าสิ่งนั้นต้องมีอยู่เป็นอยู่เราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างอื่นเพราะเราใจเราสบายใจเราสบาย เราก็จะไม่เป็นพุทธิลุกโผล่บุมบับุ่ม บ, ม บ, มบมัขึ้นมานะ่ยไม่ได้ว่าจะต้องมีอยู่เป็นอยู่ด้วยขันอย่างนั้นด้วยขันอย่างนี้เนะ่ยพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ได้เราจะมีความามีความเที่เรียกว่ายืดหยุ่นมากในสถานการณ์ปัจจุบันและจากนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ไหมเกรียมนะี่ยไม่ถูกไฟไหม้นั่นเองนะ่ยมีไฟมีความร้อนอยู่รอบข้างไปหมดข่าวหนังสือพิมพ์ ตีข่าวโอ้เรื่องร้อนข่าวร้อนนะแต่ใจเราไม่ได้ร้อนไปด้วยใจเราสบายอยู่เป็นผู้ที่ไม่ถูกไฟไหม้หนะ่ะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ไหม้เกลียมนะ่ะไหม่ก็คือไม่เมลัยมอม้าไม่เอกนี่คือเป็นการบอกปฏิเสธนะ่ะไม่ตัวที่สองไหม้เมลัยหอยหีบมอม้าไม่โทรคือถูกไฟไหม้หนะ่ะเราจะไม่ถูกฝ่ายใหม่ทีใจเราจะสบายอยู่ได้เราจะเป็นผู้ที่พ้นจากความรักและความเกลียด ทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในสังคมเราจะเป็นผู้ที่พ้นลาวเลยยังไงล่ะสบายในใจอยู่ถ้าเราจะไปร่วมกับกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งให้ร่วมด้วยจิตอย่างนี้แต่บุฟังการแสดงออกทางการเมืองการแสดงออางความคิดเห็นเนี่ยมันมีได้แน่นอนความคิดทั้งหลายทั้งแหลเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องอยู่ในเส้นทางในเส้นทางของธรรมาฏิปไตยเส้นทางของความเป็นใหญ่ที่อาศัยธรรมะถ้าเราอยู่ในเส้นทางคือธรรมาธิปไตย อยู่ในเส้นทางของอริยมรรคมีองแ ล, และการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันดีทั้งสิน้นนะใจเราจะสบายแต่เราจะเป็นผู้ที่พ้นจากความรักและความเกลียดมีลักษณะ5อย่างนะไม่โตตอบไม่อัดควันไม่ขึงเครียดไม่ลุกโพล่ไม่ถูกไม่เกลียดนะเราก็เป็นผู้ที่ไม่ถือตัวมีใจที่สบายอยู่ได้แต่ า, านรูฟังยังมีใจที่สบายบ้างไม่สบายบ้างใช่ห มีความลังเลมีความมึนงงอะไรต่างก็ถ้าต้องการเขียนจดหมายมาถามก็ยินดีที่จะตอบให้ในโดยการส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดนนายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ purethma.com p u r e d h a m m m ในวันนี้อย่าลืมท่านผู้ฟังให้จําไว้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบไม่ใช่ว่าไม่แสดงความเห็น ไม่โต้ตอบไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ไม่โต้ตอบด้วยความที่ไม่โกรธตอบไม่ขึงเครียดตอบและไม่หักรานตอบไม่ด่าตอบแต่เป็นผู้ที่สงบเย็นอยู่ในภายในนั่นเองวันนี้ครับเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพัน์